ธรรมะถ่ายทอดอยากนะถ้าคนเรียนถ้าใจใจมันเปิดก็จะเรียนง่ายถ่ายทอดจากจิตสู่จิตถ่ายทอดจากปากไปเข้าหูไม่เก่งอะหูมีไหลหูเข้าแล้วออกเหลือแต่ความจำนิดหน่อยอไม่ใช่อะไรไม่ได้ งานถ่ายทอดธรรมะยากปัญหาเยอะนึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าท่านต่อสู้นะเพื่อจะประกาศธรรมะเนี่ยสู้ดูเดือดคนพยายามฆ่าท่านก็มีใส่ร้ายท่านก็มีมีทุกอย่างเล่นเล่ห์กลต่างๆนาน า, นาสัจจา มันคุ้มครองตัวมันเองความจริงนะยังไงใครก็ล้างไม่ได้อย่างหลวงพู่ดุล น, นะภาวนาเก่งมากเลยเข้าใจคำสอนครูบาอาจารย์เร็วครูบาอาจารย์ทีท่านงานมากสอนอะไรต่ออะไรเยอะหลวงปู่ไปเรียนมาแป๊บเดียวก็เป็น เ, เรื่องอริยสัจแห่งจิตท่านก็เก็บตัวเงียบๆเมืหลวงปู่ดูลเป็นพระที่ไม่ค่อยพูดเงียบๆให้เทศก็ไม่เทศหร อ, อกแต่ถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆท่านก็สอนธรรมะให้ไม่ต้องถามถ้าถามก็ได้ถ้าไม่ถามก็ดีจะถ่ายทอดให้ธรรมะที่สมควรแก่เราถ่ายทอดด้วยจิตจิตของเรามีคุณภาพแค่นี้ท่านถ่ายทอดให้สูงขึ้นหน่อย แต่ตอนครั้งสุดท้ายที่หาท่านท่านเห็นว่าไม่ทันแล้วจะถ่ายทอดทีละแค่นี้ไม่ทันท่านเล่นอย่างนี้เลยสอนขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติทําลายผู้รู้ปล่อยวางจิตนี่หลวงปู่ดูลพูดไม่ค่อยเป็นนพระที่ไม่พูดอุปชาหลวงพ่อก็เลยไปเอานักสือท่านโป่งโป่ไว้ให้อ่านท่านอ่าน เรื่องจิตคือพุธทธะนั่นแหละคำสอนของพวงโปอ่าแล้วถูกใจเนี่ยมันเหมือนกับจิตของท่านจิตของท่านมันไ่เหมือนจิตของเราใช่ไหมถ้า <c oughs> สอนท่านก็จำได้เพี้ยๆเลยนะเป็นประโยคต่อประโยคเลยคำต่อคําเลยท่านเทศเนี่ยพูดกี่ครั้งนะไม่ผิดกันสักคำหนึ่งเลยเท่านพูดน้อย พูดอยู่ไม่กี่คำนี่คนอยากฟังเทศยาวๆอุปชาหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลานท่านนะเอาหนังสือให้ท่านอ่านนะท่านก็พูดตามจิตคือพุท ธ, ธคนไปจมตีท่านนะว่าเราเมื่อลิขิทธ์หนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสตา่างท่านก็บอกว่าธรรมะนะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะลิขิ์อะไร แต่ท่านเห็นว่านี่มันเป็นทำแท้มันตรงกับที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านก็มาพูดท่านสอนเรื่องจิตคือพุทธะเนี่ยเป็นธรรมะท่านสูงมากเลยไม่ใช่ขั้นที่พวกเรามีหรอกมัเป็นเรื่องของจิตพระอรหันต์นะถึงจะเป็นจิตคือพุทธะจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันจิตกับพระธรรมจิตเพระอรหันต์อันเดียวกันในบทของจิตคือพุทธะนั้นนะ นี่พวกเราบางคนไปอ่านจิตคือพุทธะแล้วก็เพอ้อเลยคิดว่าจะปฏิบัติในแนวจิตคือพุทธะปฏิบัติไม่ได้การปฏิบัติต้องอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญานั้นพ้นการปฏิบัติไปแล้วเป็นผลนะอันนั้นท่านเล่าให้ฟังถึงปลายทางพวกเราจะได้ขึ้เขิมแล้วมาทําต้นทาง ต้นทางก็อยู่ในเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละไม่หนีไปจากนีนะ้ท่านสอนเครื่องมือที่จะทำให้เราเกิดศีลสมาธิปัญญาคือสติขาสติตัวเดียวศีลไม่มีขาสติตัวเดียวสมาธิที่แท้จริงไม่มีมิจฉาสมาธิมีนะขาสติอันเดียวปัญญาไม่มีท่านสอนให้เรารู้เท่าทาันจิตตัวเอง ใครเป็นคนขาดสติจิตนั่นละขาดสติเวลาขาดสติมีอาการไงมีอาการลืมตัวเองมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจนั้นท่านสอนเบื้องต้นเลยท่านจะสอนให้รู้ทันจิตของตัวเองสอนบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยครอบคลุม ทั้งเรื่องสติเรื่องสมาธินะมีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกรู้บ่อยๆจําสภาวะที่จิตออกนอกได้สติเกิดเราไปจิตเคลื่อนคลิกสติเกิดจิตเคลื่อนคลิกสติเกิดพอรู้ทันว่าจิตออกนอกนะจิตคือไม่ออกนอกตั้งมั่นอยู่โดยที่ไม่ได้เจตนาได้สมาธิที่ถูกต้องงั้นอย่างไปอ่านจิตคือพุทธะนะไม่มีคําว่าอย่าส่งจิตออกนอก ทำไมไม่ไม่พูดไว้เพราะนั้นเป็นผลนะทำเหตุก็คืออย่าส่งจิตออกนอกตรนี้และจิตส่งออกนอ ก, นะออ ก, นอกสะตัวเดียวนะสติสมาธิไม่มีแล้วมันไหลไปหมดเลยนะ่ความเก่งของหลวงปู่ดูลนะธรรมะที่กว้างกวางเนี่ยย่อลงมาเหลือนิดเดียวนี่ไม่ใช่พระธรรมดาจะทำได้นะลักษณะของ ปฏิสัมพิธามีคุณสมบัติพิเศษอยู่เรื่องของปฏิสัมพิธาปฏิสัมพิธาเนี่ยมีความรู้แตกฉานนะธรรมะกว้างขวางเนี่ยย่อลงเหลือนิดเดียวได้ธรรมะนิดเดียวขยายให้กว้างขวางไดนะ้รู้วิธีที่จะสอนรู้วิธีใช้คำพูดรู้วิธีใช้สื่อนะต้องรู้วิธีถ่ายทอดนะ เป็นความสามารถหลวงปู่ความสามารถสูงปัญญาก็สูงธรรมะที่กว้างๆย่อลงมาเหลือนิดเดียวเราพูดกันตั้งยาวท่านพูดคําเดียวอย่าส่งจิตออกนอกถ้าจิตออกนอกเรารู้เราจะได้สติถ้าจิตออกนอกเรารู้แล้วเราจะได้สมาธิสอนเก่งมากเลย พอได้สติได้สมาธิแล้วจิตใจอยู่กันเนื้อก็ตัวแล้วจิตตื่นแล้วท่านสอนต่อไปอีกจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปเห็นไหมคำนี้ก็ไม่มีในเรื่องจีคูพุทธะเพราะอะไรจีคูพุทธะไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะจิตเป็นพุทธะแล้วจะไปทำอะไรเห็นเบื้องต้นนะอย่าส่งจิตออกนอกอจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้จะได้สติต่อไปจิตขยับพลิกก็เห็นสติเกิด รู้ตัวขึ้นมาพอเรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตก็เลิกเคลื่อนโดยไม่ได้เจตนาคืได้สมาธิที่ถูกนะพอจิตมีสมาธิถูกแล้วจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเด่นปัญญาต่อบางคนหลวงปู่ดูลสอนให้ดูกายนะไม่ใช่ว่ารู้สิทธิ์หลวงปู่ดูลมีแต่ดูจิตลูกสิษย์ที่ท่านสอนดูจิตมีไม่มากหรอกนะด่นมากดูกายซะด้วยซ้ําไปบางทีไล่มาตั้งแต่สมถะ ไม่สอนเรื่องว่าอย่าส่กเกี่ยวข้างนอกด้วยนะสอนดูกระดูกพิจารณาร่างกายปฏิกรูนสุภาพเลยสอนตามจริตนิสัยแต่พวกที่เหมอ ด, ดูจิตนะสอนเลยว่าอย่าส่งเฉียวข้างนอกสอนเข้าที่จิตได้ศีลได้ศีล ไ, ได้สมาธิได้สตินะพอจิตใจอยู่กับตัวแล้วเนี่ยสอนให้เดินปัญญาเดินปัญญาด้วยการดูจิตสําหรับคนที่เหมาะกับการดูจิต เดินปัญญาด้วยการดูกายท่านสอนคนที่เหมาะกับการดูกายนะสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไม่รู้จักหลวงปูนะ่ท่านไม่มีคนถ่ายทอดนะว่าท่านสอนอะไรเนี่ยคนเรียนได้ผิวเผินมากเลยคนที่เหมาะจะเจริญปัญญานะท่านจะสอนจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปทำอะไรทำยาน ญาณคืออะไรญาณคือปัญญาถ้าสติเนะียจะเป็นตัวเห็นจิตแต่ปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์ของจิตจะไม่เหมือนกันนะงั้นท่านสอนให้ทําญาณเห็นจิตอันนี้ก็คือให้เห็นไตรลักษณ์ของจิตนั่นเองเนี่ยครูบาอาจารย์นะพู้เรามาคําเดียวนะความหมายมหาศาลเลยต้องเห็นไตรลักษณ์ของจิตนะถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญา วิธีเห็นไตรลักษณ์ของจิตทำไงก็เห็นเหมือนที่ตามองเห็นรูปนี่เองมีรูปมีตามีแสงสว่างมีความใส่ใจเรมนาสิการสนใจก็มองเห็นรูปไม่เจตนาจะเห็นก็เห็นเวลาที่ตามองเห็นรูปตาไม่เคยบังคับรูปตาสั่งรูปได้ไหมมองไปแล้วก็สั่งให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ตาไม่ได้สั่งรูปรูปเป็นยังไงตารู้ว่าเป็นอย่างนั้น ตาเป็นอะไรตาเป็นปรมาตธรรมเรียกว่ารูปธรรมอันหนึ่งรูปธรรมภายในรูปเป็นอะไรรูปเป็นปรมาตธรรมไม่ได้สอนนะหลวงปู่ดูลยบอกไม่ได้สอนว่าจงทายานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นเด็กเห็นผู้ใหญ่ไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่สอนให้ตาเห็นรูปคือให้เห็นสภาวะให้เห็นปรมัตธรรมนะเห็นตาเห็นรูปเพื่อเห็นรูปธรรม มีญาณเห็นจิตมีปัญญาไปเห็นจิตมีนามธรรมไปรู้นามธรรมรู้แบบเดียวกันคือรู้แล้วไม่แทรกแสงรู้อย่างที่มันเป็นตาเห็นรูปอย่างที่รูปเป็นก็เห็นความจริงของรูปคนที่ไม่มีปัญญาเวลาตามมองเห็นจะเห็นอะไรเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นเด็กเห็นผู้ใหญ่เห็นคนแก่เห็นต้นไม้เห็นหมาเห็นแมว คนที่มีปัญญาก็จะเห็นรูปมันปรากฏขึ้นรูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้บังคับไม่ได้รูปนี้ไม่นานก็แตกสลายหายไปนี่คนมีปัญญาเห็นท่านสอนให้เห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญาเป็นตาเห็นรูปไม่ใช่ตาเห็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่หมาแมวอันนี้เรียกว่าบัญญัติไม่ใช่ตัวรูปไม่ใช่สภาวธรรมของรูปรธรรม งันไม่ใช่ไปนั่งคิดคนทั่วๆไปไม่สามารถเห็นรูปได้เพราะตามองเห็นเนี่ยปัญญาไม่พอไม่เห็นรูปเวลาเห็นจิตก็เหมือนกันไม่ใช่เห็นปัญญาปัญญาคือเรื่องราวที่คิดไม่ได้สอนให้ดูเรื่องที่คิดสอนให้ดูสภาวะสภาวะที่จิตไปเห็นเข้ามีอะไรบ้างก็ทำอารมณ์ทั้งหลายนั่นเอง อะไรชื่อว่าธรรมอารมณ์รู้ไหมอะไรคือธรรมอารมณ์ประกอบด้วยอารมณ์ชนิดใดบ้างรูปบางอย่างเป็นธรรมารมณ์รูปบางอย่างเป็นธรรมารมณ์นะ ร, น ร, ร, นะรู้ด้วยใจอย่างรูปน้ำเนี่ยรู้ด้วยใจรู้ด้วยตาไม่ไดนะ้อันนี้เราอยากคิดมากนะหลวงพ่อลงละเอียดไป น, นี่ชัา ง, งงแล้วน้ำที่เห็นนี่ไม่ใช่น้ำน้ำคือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล รูปที่เคลื่อนไหวหลับตาแล้วรู้ไ้ยรูปเคลื่อนไหวทำไมรู้รู้ด้วยใจน้รูปที่เคลื่อนไหวเรียกวิญยติรูปรู้ด้วยใจสิ่งที่รู้ด้วยใจเป็นธรรมอารมณ์ทั้งหมดเลยนั้นธรรมอารมณ์นี่นะเป็นรูปบางอย่างก็เป็นธรรมอารมณ์นามธรรมทั้งหลายเป็นธรรมอารมณ์สุขทุกข์ก็เป็นธรรมอารมณ์ความจำได้หมายรู้ก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจ ดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นธรรมารมณ์รู้ได้ใจจิตกอเป็นธรรมารมณ์รู้ได้ใจจิตกับใจมันอันเดียวกันแล้วทําไมจิตเป็นธรรมารมณ์รู้ได้ใจจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตอีกดวงหนึ่งไประลึกถึงจิตดวงก่อนให้จิตไปรู้จิตจิตมีทีละดวงไม่มีสองดวงเกิดทีละดวงแล้วก็ดับไปอีกดวงหนึ่งมาระลึกรู้ว่าจิตดวงตะกี้เนี่ย สุขทุกข์ดีช่วยยังไงให้เห็นไตรลักษณ์ของมันอะไรเรียกว่าธรรมารม์อีกยังมีอีกสมมติบัญญัติเรียกว่าธรรมารมรู้ด้วยใจเรื่องราวที่คิดรู้ด้วยใจอะไรอีกที่รู้ด้วยใจนิ่ผ่านรู้ด้วยใจยงั้นสิ่งที่รู้ด้วยใจน่นะกว้างขวางที่สุดมีทั้งรูปบางอย่างมีนามธรรมทั้งหลายมีจิต มีจิตมีเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายความจําได้หมายรู้เรียกเจตสิกนะสมมุติบัญญตัติเรื่องราวที่คิดก็รู้ด้วยใจนิพพานก็รู้ด้วยใจนะจงทํายานเห็นจิตเห็นตาเห็นรูปว่างมากเลยนะครอบคลุมทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนมามธรรมทั้งหมดเลยเยอะแยะเลยนะเห็นอะไรอย่างสมมติเราเห็น เห็นด้วยใจนะไม่ต้องลืมตาก็เห็นรูปเคลื่อนไหวจะเห็นอะไรเห็นรูปไม่ใช่เห็นแขนเนี่ยถึงจะเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อย่างพวกเราบางคนฟังหลวงพ่อพูดแล้วแปลงฟันอยู่ๆปุ๊บขึ้นมาเลยนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เราแล้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่ยมันเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยใจถ้าธรรมารมันเยอะนัก ก็เลือกเอาไม่ต้องดูทั้งหมดหรอกมันเยอะเกินมันครอบคลุมสติปัฏฐานทั้งสี่ฐานเลยอย่างเรื่องอิทธิยาบทสนะี่เนี่ยรู้ได้ใจควนะาเคลื่อนไหวรู้ได้ใจงั้นฐานกายนะก็มีสิ่งที่รู้ได้ใจนะเห็นด้วยจิตนะเป็นธรรมอรมณ์ฐานเวทนานฐานจิตฐานจิตคือจิ ต, จ ต, จตสังขาร อันนี้รู้ด้วยใจฐานธรรมธรรมส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมอารมณ์ฐานานส่วนหนึ่งเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเวลาเรารู้รู้ด้วยใจเนี่ยเวลาจิตมันตื่นขึ้นมานะเราไม่ต้องรู้ทั้งหมดถ้ารู้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเยอะเกินเหนื่อยของเราตัวไหนเด่นเรารู้ตัวนั้นเป็นหลัก ถ้าคนไหนถนัดยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกตัวนะมีจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนได้ก็ใช้กายเป็นฐานเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใช้ร่างกายเป็นฐานถ้าคนไหนถนัดดูเวทนาก็ใช้เวทนาเป็นฐานมีจิตเป็นคนดูเนี่ยธรรมยานนะยานมันจะกว้างนะ ในสุดปัญญามันค่อยๆเกิดมันค่อยๆวางตัวที่มันเข้าใจแล้วลงวางวางวางวางไปนะมันจะเข้ามาเหลือตัวเดียวคือที่จิตตรงที่คำว่าจงทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะพอนา ม, มาจนถึงขั้นสุดท้ายมันจะลงมาตรงนี้แล้วเกิดความเข้าใจสูงสุดจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะอันนี้เข้าใจยากที่สุดเกิดหลังที่สุด เข้าใจอย่างอื่นก่อนเห็นอย่างอื่นแจมแจ้งก่อนระวางเห็นระวางเห็นละวางเหลือจิตอันเดียวงั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจไม่ใช่อยู่ๆไปจ้องตัวจิตนะเรายังไม่เห็นตัวจิตตัวจริงเราเห็นแต่จิตสังขารคือความปรุงของจิตหรือเราเห็นจิตสุขจิตทุกเนี่จิตดีจิตชั่วเราเห็นอย่างนี้เราก็อนุมานได้ ว่าจิตนั้นเกิดดับว้าเราตัวจิตนั้นไม่มีร่องรอยให้ดูไม่มีรูปร่างเราเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตฐ่านเจตสิกจิตที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่ดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่ชั่วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเห็นเองนี้ก่อนเจอาท่านมันรู้ความจริงนะมันวางมันเหลือจิตเหลือจิต อยู่กับอุเบกขานี่แหละแล้วก็เห็นสภาวะภายในนะว่างสว่างประพัดสอนเนี่ยประพัดสอนมากเลยสว่างสวัยคนที่ภาวนามาจนถึงเห็นจิตที่ประพัดสอนหรือเห็นจิตผู้รู้นั่นแหละจิตผู้รู้นั่นแหละคือตัวจิตประพัดสอนเข้ามาเห็นตัวนี้แล้วนะจะหลงติดอยู่ตัวนี้เลยมันประพัดสอน ตรงนี้แหละบริสุทธิ์แล้วถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้ารู้อยู่ว่ายัางยึดถืออยู่ยึดถืออะไรยึดถือจิตประภัสสนอยู่อย่างหลวงปู่ดุลท่านสอนหลวงพ่อเนี่ยท่านกลัวหลวงพ่อมาติดที่นี่ท่านบอกว่าพวกผู้รู้ต้องทำลายผู้รู้อีกทีหนึ่งนะท่านบอกเลยว่าครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงส่วนมากเลยมาติดอยู่ที่ตัวนี้เองท่านพูดขนาดนี้นะ ให้คำสอนของท่านนะลึกๆเมื่อตอนรักษาศี่ห้าไว้แลอย่าส่งจิตออกนอกจิตไหลเรารู้ไหลเรารู้ฝึกทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนเรารู้นะในสุดจิตก็ตื่นพอจิตตื่นแล้วเนี่ยถนาดดูกกายก็ดูกายไปใครเป็นคนดูกายจิตเป็นคนถูกายเวลาปัญญาเกิดก็จะเห็นว่าทั้งกายทั้งจิตนั่นแหละตกอยู่ใต้ใจรัก ไม่ใช่เห็นกายอย่างเดียวถ้าเห็นกายอย่างเดียวเรียกว่าเพ่งกายไม่เกิดปัญญาเพ่งอยู่นิ่งๆเป็นกรสินเพ่งร่างกายก็เป็นกสินนะเป็นกสินแล้วมันแสดงปฏิภาคได้แสดงความแตกสลายน่าเปื่อยให้ดูได้นะมันแสดงอาการให้ดูตอนที่เริ่มแตกสลายไปเนี่ยเป็นอุคหานิมิตนะสุดท้ายกลายเป็นแสงร่างกายเนี่ยกลายเป็นแสงเป็นปฏิภาคนิมิต พอไปถึงปฏิภาคนะั้นนึกว่าบัติรู้เราก็มีนะพลาดอย่างแรงเลยนะั่นสมถะทั้งนั้นเลยฉนั้นที่ไปเพ่งกายถ้าเพ่งกายนะคือเพ่งกสินถ้าคิดเรื่องกายเนี่ยไม่เข้าฌานถ้าคิดเรื่องกายผมคนเล็บฟันหนังเป็นปฏิกูนาสุภาเลยสูงสุดได้อุปจารสมาธิแต่ถ้าเพ่งร่างกายนะคือกสินกสินอะไรกสินดิน เพ่งไปแล้วมันแปรลปลวนให้ดูได้ได้อุคฮานิมิตสลายไปหมดเลยกลายเป็นแสงแสงนี้กว้างเท่าไหร่ก็ได้นะเล็กก็ได้นะเป็นปฏิภาคเข้าฌานค่อยเรียนหนะ้าสนุกธรรมะนะสนุกสนุกยิ่งเรียนได้ยิ่งเข้าใจได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจได้ปล่อยสิ่งที่ไม่นึกว่าปล่อยได้ ร่างกายเนี่ยใครจะนึกว่าปล่อยได้ยิ่งจิตเนี่ยไม่นึกไม่ออกเลยว่าปล่อยจิตได้ไงจิต ป, ปล่อยจิตแล้วเหลืออะไรอ่ะ <c oughs> เหลือธาตุ <c oughs> เหลือธาตรู้จิตที่เป็นจุดเป็นดวงอะไรเนี่ยไม่มีกลายเป็นธาตุค่อยๆฟังไปบางคนว่าหลวงพ่อสอนยากไปสอนโยมสอน ให้ทำทานรักษาศีลพอละหลวงพ่อก็ครับครับครับแต่ไม่เชื่อหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นขราวาสครูบาอาจารย์ชมไหมหลวงพ่อพุนบอกให้ไปเผยแพร่ด้วยซ้ำไปสั่งตอนนั้นถึงต้องออกมาเขียนหนะังสือครูบาอาจารย์สั่งเราต้องทำแต่อยู่ๆเราอยากไปเผยแพร่เลยไปทำยังไงไปติดป้ายหน้าบ้านว่ารับสอนกรรมาฐานเหรอ เขว่าบ้าสิ mm hmm. โอ้ครูบาอาจารย์สั่งมันว่าทำไงนะยังไปฟิล์มหนังสือแจกตางก็ไม่มีแจกจะไปแจกใครอะใครมันจะอ่านตอนนั้นมันมีหนังสือโลกทิพมันชอบลงธรรมะครูบาอาจารย์ mm hmm. เขียนไปเขาให้ค mm ่าต้นฉบับสามร้อยนะเรื่องหนึ่งถ้าไปลงหลวงพ่อเขียนไปไม่ส่งชื่อไปให้ด้ไม่บอกชื่อรู้ว่า เขียนเอาไปถ้าใส่ชื่อไปเราจะเดือดร้อนในฉับพลันนะ่ะแรายังไม่พร้อมที่จะเดือดร้อนคนจะมายุ่งเขียนแล้วก็หนีเลยเม็ดบอกว่าเงินสามร้อยบาทหนะน้าหนังสือโลกทิพย์ช่วยเอาไปทําบุญต่อให้ถี่บอย่างนี้นะไม่เอาหรอกแล้วตั้งแต่นั้นมานะสอนกรรมฐานเนี่ยไม่ได้เก็บตังค์เลยนะนี่เคยเรียกร้องเลยหนังสือหลวงพ่อเอาไปพิมพ์เอาไปแปลไม่เก็บตังค์เลยบางคนเอาไปขายขายได้ก็ไม่ว่า หายกอากำไรเข้าตัวเขาไม่บ้าขอให้แปลให้ถูกเขาแล้วกันแต่อย่างนะของอาจารย์สุรพลก็ดีนะทําำร้นแมพทำอะไรหลายเล่มและ้ะได้เงินมาปี่กลายก็ได้หลายแสนอยู่ปีกลายเอาไปให้โรงพยาบาลสงฆ์ปีนี้ก็ได้มาเขาไปให้โรงพยาบาลรามาเราไม่ได้หากินเอาธรรมะมาหากินไม่ดี ธรรมะของพระพธเจ้าไม่มีสินะไปขายเรียนฟรีนะเงินตั้งใจเรียนนิดนึงมันยากตรงที่เรียนฟรีให้ตั้งใจนี่ยากมากเลยเพราะของฟรี <c oughs> จิตออกนอกไหมจิตนี้ไปไหนจิตนี้ไปคิดจิตออกนอกแนละ้วให้รู้พอรู้แล้วสังเกตไหมตรงที่รู้ทีแรกสบาย รู้นานๆชักแน่นๆเพราะอะไรอีกเพราะบังคับจิตให้รู้จิตอย่างที่จิตเป็นเหมือนตาเห็นรูปตาไม่บังคับรูปตาสั่งรูปไหมจงกระดุ ก, กระดิก <c oughs> พวกเล่นอภิญญาเขาทำได้นะทาได้คนรุ่นโบราณ เ, เล่นกันช่วงก่อนสองพันรอยยังมีพระเล่นพวกนี้ได้หลายองค์อยู่มองแล้วมันวิ่งได้ วัตถุวิ่งไปวิ่งมาได้ให้เรามองก็ได้เหมือนกันมองมากๆก็โมโหโตเตยมันกระเด็นไปมันไม่อยอมวิ่งอย่างนั้นเรียกอิทธิปฏิหารอิทธิปฏิหารพระพุทธเจ้าไม่ยกย่องพระพุทธเจ้ายกย่องอนุสาสนีย์ปฏิหารสอนแล้วให้คนเข้าใจธรรมะขึ้นมา คนไม่มีศีลมีศีลขึ้นมาคนไม่มีสมาธิมีสมาธิขึ้นมาคนไม่มีปัญญามีปัญญาขึ้นมาคนยังไม่ได้บีมุติได้วีมุตดขึ้นมาอย่างนี้ปฏิหารไม่ง่ายหรอกแต่ละคนนะดูออกไหมกิเลสเยอะแยะเลยไม่ใช่ง่ายจะเอาชนะแต่เบือเอเบ้องต้นเอชนะเบื้องต้นนะเคยรู้เท่ารู้ทันนะรักษาศีลไว้ก่อนต้องมีศีลห้า ไม่ต้องศินแปดเอาศีลห้าพอเป็นคราวาสถือสินแปดนะนกกจะโลคกรพาะจีกินตอนเย็นเป็นหิวทุกวันแ บ, บ่งเวลาทําในรูปแบบคอยรู้ทันทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปขนดัดพุทโธก็พุโทโธแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนถนัดหายใจรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะอย่าไปเพ่งใส่ตัวลมนะเพ่งใส่ลมเปกระสิน แค่รู้สึกเห็นร่างกายหายใจดูกราฟิกสูทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวไม่ได้บอกตรงไหนเลยว่าให้เพ่งลมหายใจนะบอกหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวใครหายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจออกยาวก็เห็นไอตัวนี้หายใจออกยาวไอตัวเนี้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นไอตัวนี้หยุดหายใจแล้วมันจะมีกองลมนะพอหายใจเรารู้ทั้งตัวเนี่ย เราจะรู้ถึงกองลมทั้งตัวนี้จะมีลมเคลื่อนอยู่ในตัวนั้นจะเป็นแค่เราเราเป็นผู้รู้กองลมอยู่ใครเป็นผู้รู้กองลมก็จิตนั่นแหละจิตเป็นผู้รู้กองลมเห็นเนีตัวกองนี้คือตัวกองลมในสุดลมหายใจระ ง, งับแต่กองลมมีอยู่นะลมหายใจระ ง, งับมันจะคล้ายๆหายใจทางผิวหนังอย่ารู้สึกอย่างนั้ น, นะนจริงๆก็คือหายใจทางจมูก แต่การเผาผลาญมันน้อยลงใช้พลังงานน้อยก็หายใจลดลงลดลงเนี่ยถนัดพุทโธเขพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถนัดรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถนัดรู้อิริยาบทสี่เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นไหมไม่ใช่เพ่งอิริยาบทนะเห็นทั้งตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนถ้าละเอียดขึ้นไปก็คือเรียกสัมปชัญญะบับ ก็คือเห็นใ้ตัวนี้เคลื่อนไหวนั่งอยู่ก็ยังมีอิริยาบถย่อยๆนั่งเนี่ยป็นอิริยาบถ ย, ย่อยสติเร็วขึ้นจิตตั้งมั่นก็เห็นชัดขึ้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปแล้วจิตจะได้สมาธิขึ้นมาได้สติได้สมาธิถัดจากนั้นก็ดูความจริงดู ก, กายก็เห็นกายเป็นทำงานดูเวทนาก็เห็นเวทนาทางาน ดูจิตก็เห็นสังขารทั้งหลายทำงานดูธรรมารมก็เห็นรูปธรรมนามธรรมมันทำงานถ้ารู้ไปดูไปสุดท้ายปัญญามันก็เกิดงั้นทิ้งหลักไตรสิกขาไม่ได้นะเวลาดูจิตดูจิตไปอ่านจิตคือพุทธะแล้วเมาือทำจิตให้ว่างใช้ไม่ได้นะต้องเดินอยู่ในหลักของไตรสิกขา อยู่ๆเอาจิตว่างจิตว่างาเพียนอันนั้นมันผลแยกไม่บอกระหว่างผลกับเหตุทำอะไรทำเหตุเหตุต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมดพลนเหตุเกิดนี่ดลวงู่ดูดสอดประโยคนี้นะยังไม่ได้ขยายความประโยคนี้ให้ฟังเพราะว่ามันไปอีกเยอะมันจะเยอะเกินนี่แค่ขยายว่าอย่าส่งจิตออกนอกจงทาญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูป ก, ก็เยอะแล้วล่ะ ตรงยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะขั้นสุดท้ายจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งตอนนั้นนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตคือตัวทุกข์นะเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งลาสมูทยัยแจ้งนิโรธเกิดอรหัตตะมักกันตรงนั้นค่อยฝึกนะใจเย็นๆเราไม่ได้บุญบารมีมากบุญบารมีพวกเราน้อยกว่าเทวทันะเทวทัตทาชั่วตกนรก แต่บารมีเทียบไปแล้วบารมีเยอะกว่าเราอีกเขาขึ้นมาสักช่วงหนึ่งเขาจะเป็นพระปัจเจกได้ของเราโสดายังไม่ได้เลยนี่จะไปดูถูกเทวทัตแล้วก็จะไปเอาเทวทัตเป็นเยื่องอย่างด้วยอ้าวไปกินข้าว